รู้สาเหตุของจิตสว่างและจิตมืดจิตมนุษย์นั้นเดิมทีมีความสว่างอยู่แล้วแต่ด้วยมนทินบาปที่จรมาเปรอะเปื่อนจึงดูมืดมนลงบ้างเป็นบางคราวหลังเกิดประสบการณ์จิตสว่างพระว่างจะคลื่นความฟาุ้งซ่านรบกวนใจได้แล้วก็ควรมาทำความรู้จักกับจิตที่สว่าง ระว่างจากบาปอากุศลกันด้วยจะได้อาศัยเป็นเครื่องสังเกตเพื่อเจริญวิปัสนาในระหว่างวันให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปบาปคือการพูดจาหรือกระทำการโดยจงใจคิดเบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือดร้อนความคิดเบียดเบียนนั่นเองจึงเป็นต้นต่อของบาปทั้งปวงบุญคือการพูดจา หรือกระทำการตามความคิดอนุเคราะห์ผู้อื่นให้สุข ก, กายสบายใจความคิดอนุเคราะห์นั่นเองจึงเป็นต้นต่อของบุญทั้งปวงคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใส่ใจกฎเกณฑ์ของชีวิตได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตตามอารมณ์เมื่อมีสิ่งเร้าให้เกิดโลภะหรือโทสะแรงๆจึงมักพุ่งตัวไปตามแรงดันของโลภะหรือโทสะนั้นๆ โดยไม่สนใจว่าผิดหรือถูกอย่างไรไม่คำนึงว่าจะต้องรับผลที่ตามมาท่าไหนแต่ผู้ถือเอาศีลธรรมเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนาหรือตั้งใจถือเอาศีลธรรมเป็นกติกาชีวิตย่อมมีชีวิตที่ชัดเจนคือเมื่อมีสิ่งเ้าให้เกิดโลภะหรือโทสะก็จะไม่ถลันตตามไปไม่ขยับปากขยับมือเท้ารับใช้โลภะโทสะนั้นๆโดยไม่ลังเล เช่นเมื่อเกิดโทสะจะรุนแรงแค่ไหนถ้าต้องให้ฆ่าแกงหรือทำอันตรายชีวิตอื่นก็จะหักห้ามใจไม่ขืนทำอย่างเด็ดขาดเมื่อเกิดโลภะจะรุนแรงแค่ไหนถ้าต้องลักขโมยหรือช่อชนเอาสมบัติที่เจ้าของไม่ยินยอมยกให้ก็จะหักห้ามใจไม่ขืนทำอย่างเด็ดขาดเมื่อเกิดราคะจะรุนแรงแค่ไหน ถ้าต้องผิดประเวณีล่วงละเมิดลูกเขาเมียใครก็จะหักห้ามใจไม่ขืนทำอย่างเด็ดขาดเมื่อเกิดโลภะหรือโทสะจะรุนแรงแค่ไหนถ้าต้องโกหกต้องหยาบคายต้องให้ร้ายต้องพล้ามเพอก็จะหักห้ามใจไม่ขืนทำอย่างเด็ดขาดเมื่อเกิดโลภะจะรุนแรงแค่ไหนถ้าต้องเสพของมึนเมาบันทอนสติ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 แต่ปัจจุบันผู้คนเข้าใจผิดนึกว่าการกล่าวขอศีลจากพระหรือปฏิญาณจะรักษาศีลก่อนสวดมนต์โดยรูปแบบเพียงเท่านี้ก็นับเป็นการสมาทานศีลแล้วแท้ที่จริงนั่นคือการสมท า, านศีลแบบนกแก้วนกขุนทองสักแต่ท่องตามท่านบอกให้ท่องเช่นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเป็นอาธิ ถ้าเข้าใจถูกสมาทานศีลด้วยใจคิดรักษาศีลแบบเอาจริงมีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทั้งปวงเป็นต้นเท่านี้แม้ไม่เอ่ยปากปฏิญาณก็นับว่าเป็นการสมาทานศีลด้วยใจจริงได้แต่แม้เป็นการสมาทานศีลด้วยใจจริงในช่วงที่จิตใจยังไม่มั่นคงพร้อมจะหวั่นไหวไปกับสิ่งยั่วยุก็นิยมสมาทานศีลกันต่อหน้าพระ เหมือนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเป็นพยานซึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างนำมีกําลังใจเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงหน้าและจะแปรรูปเป็นเงาสว่างติดตามไปหนุนหลังทั้งวันด้วยกําลังใจไม่ใช่จะมีแต่พระปฏิมาอันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้การสวดมนต์ของคุณเองก็เป็นพลังสนับสนุนที่สาคัญได้ การสวดมนต์อย่างถูกต้องทุกเช้าสายจะช่วยให้เริ่มวันใหม่ด้วยจิตใจที่สะอาดใสและการสวดมนต์เต็มเสียงทุกเย็นค่ำจะช่วยสะสางความสกรปรกให้จิตกลับสะอาดใหม่จิตที่สะอาด จ, จะอยากรักษาสีลด้วยตนเองด้วยความสมัครใจพอาถามว่าเมื่อใดที่เราไม่อยากเอาบาปคำตอบที่ชัดเจนก็คือเมื่อตอนที่ใจสะอาดรู้สึกดีกับความสะอาด แต่ทั่งไม่อยากเสียความสะอาดไปเพียงเพื่อแลกกับความรู้สึกอดใจไม่ไหวทั้งหลายเพื่อเป็นการสัมทับตอกย้ําซ้ําลงไปว่าเราจะเอาจิตสะอาดๆจากการสวดมนต์ไปรักษาศีลก็ต้องสมาทานศีลแบบพูดออกปากเส้นหน่อยจะเป็นก่อนหรือหลังสวดมนต์ก็ได้โดยแปล่งเสียงต่อหน้าพระปฏิมาให้สะเทือนไปถึงหัวใจว่า ปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าอธินนาทานาเวรมะีสิกขาปทธังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ขโมยกามสุมิชาจาราเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่เป็นชู้มุสาวาทาเวรมะีสิกขาปทธังสมาธิยามิ ข้าพเจ้าจะไม่โกหกไม่หยาบคายไม่ให้ร้ายไม่เพอเจอ้อสุราเมรยามชปประมาณฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่กินเหล้าหรือเมายาใดๆการกล่าวพ่วงท้ายเป็นภาษาไทยถือเป็นการพูดกับตัวเองให้รู้เรื่องว่าจะเว้นขาดจากบาปแบบไหนบ้างหลังจากสมาทานสิ้นเสร็จให้ดูว่า ใจเอาด้วยกับปากจริงแค่ไหนด้วยสังเกตที่ช่วงสิ้นสุดการสมถทานศีลว่าจิตรู้สึกชุ่มชื่นสว่างใสปลอดโปร่งโล่งใจเพียงใดดูเช่นนั้นเพราะธรรมชาติของการตั้งใจรักษาศีลคือการตั้งตนเป็นเขตปลอดภัยไรอันตรายกับเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายบุญยอมปรุงแต่งใจให้ใสเบาดังนั้น หากตั้งใจจริงหลังสมทานศีลเสร็จแล้วเห็นจิตใสใจเบาก็ต้องสรุปว่าคุณรู้จักเหตุของจิตสว่างแน่แล้วหลังจากนั้นระหว่างวันให้ใช้ชีวิตตามปกติแต่คอยดักสังเกตว่าเมื่อใดมีเรื่องยั่วยุให้ทำร้ายให้ช่อชนให้ผิดกรรมให้พูดร้ายให้เสพเล่ายา ถ้าคุณโน้มเอียงจะคล้อยตามแรงยุหรือกระทั่งลังเล ว, ว่าจะเอาดีไม่เอาดีขอให้ดูว่าจิตต่างไปจากตอนสมาทานศีลแค่ไหนยังสว่างชื่นใจเหมือนเดิมหรือรู้สึกถึงความมืดครึ้มหนาทึบขึ้นมาแทนหากรู้สึกถึงความมืดของจิตอันไหลมาจากบาปอากุศลนั่นเรียกว่าคุณรู้จักเหตุของจิตมืดแน่แล้ว นอกจากนั้นคุณยังอาศัยความรู้จักเหตุผลของจิตมืดจิตสว่างในการต่อยอดวิปัสสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อีกด้วยโดยสังเกตว่าจิตจะสว่างหรือมืดไม่ใช่เฉพาะด้วยการตกลงใจทำบุญหรือทำบาปเท่านั้นแม้วิธีนึกคิดทั่ ว, วไปก็ปรุงแต่งจิตให้มืดหรือสว่างได้เช่นการคิดมองโลกในแง่ดี การคิดให้เกิดกำลังใจถือเป็นฝ่ายปรุงจิตให้สว่างส่วนการเพ่งโทษคนอื่นในทางร้ายหรือกังวลโน่นกังวล น, นี่ให้เสียกำลังใจมวัวเสียดายข้างหลังมุ่งหวังจะเอาแต่ข้างหน้าโดยไม่สนใจใยดีนาทีนี้เลยจัดเป็นฝ่ายปรุงแต่งจิตให้มืดเป็นตน้นเมื่อเห็นเหตุเห็ <S <S นผล ของจิตมืดจิตสว่างบ่อยเข้าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดทางจิตมากขึ้นตลอดจนโน้มเอียงจะเลือกเอาเหตุแห่งความสว่างทางจิตมากขึ้นเรื่อยๆกล่าวคือพอคิดอะไรแล้วรู้สึกถึงความสว่างคุณจะคิดต่ออย่างสบายใจแต่พอคิดอะไรแล้วรู้สึกถึงความมืดคุณจะฉุกคิดใหม่ว่านี่เป็นอกุศลธรรมหรือเปล่า ตลอดจนเกิดการวิเคราะห์ต่อได้ถูกว่ามันผิดจริงหรือคิดไปเองว่ามันผิดโดยอาศัยกรอบของศีลหรือตัวเจตนาเบียดเบียนเป็นเกณฑ์สำคัญที่สุดของการเห็นว่าจิตสว่างบ้างมืดบ้างไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่ด้วยเหตุปัจจัยคุณจะเข้าถึงความแจม่มแจ้งว่าสภาพของจิต ต, ต่างไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่บุคคลเราเขา เมื่อหมดกำลังทรงของต้นเหตุสภาพจิตหนึ่งหนึ่งย่อมหายไปแล้วปฏิรูปไปเป็นอื่นอีกทั้งเห็นว่าจิตโน้มเอียงที่จะมืดมนลงได้เองหากปราศจากกำลังใจหากขาดความเพียรในการคิดการพูดและการทำข้างสว่าง